ตอนที่ห0สิบท่านทำให้ค่าผิดหวังเหลือเกินเย่เยาพุ่งตัวไปข้างกายเขาเพยายามขยิงเท้าชงโงกหน้ามองเข้าไปในฝูงชนที่ใหญ่เกิดอะไรขึ้นหรือเจ้าคะเย่หัวเองก็ยังไม่กระจังแจ้งทหารองครักที่ส่งไปสืบข่าวยังไม่กลับมาทางฝั่งพวกเขานั้นไม่มีปัญหาอะไรทว่าเพิงพักชั่วคราวที่สร้างไว้สาหรับตรวจโรคและรักษาบาดแผลให้ผู้ประสบภัยที่อยู่ข้างๆกลับเกือบจะถูกเบียดจนล้ม เหล่าท่านหมอถูกกลืนหายไปในกลุ่มผู้ประสบภัยเสียงร้องไห้และเสียงขอความช่วยเหลือดังระงมแทรกด้วยเสียงตะโกนของหมอหลี่และคนอื่นๆ อ, อย่าเบียดอย่าเบียดเข้ามาทีละคนท่านหมอท่านช่วยลูกคาด้วยช่วยเขาด้วยเถิดท่านหมอช่วยชีวิตด้วยระวังเบียดกันมากกว่านี้เพลินจะถล่มแล้วเมื่อได้ยินเสียงเย่ยาวพุ่งเข้าไปเป็นคนแรกเย่หัวรีบตามไปติดๆพร้อมกับสั่งการให้ทหารสองกองตามเข้าไปสมทบ เรจนทหารแยกฝูงชนออกและจัดระเบียบให้เข้าที่ทางเย่เยาวจึงได้เห็นว่าในเพิง ม, มีเด็กๆนอนและเกระกะอยู่เต็มพื้นและยังมีผู้ใหญ่อีกหลายคนพวกเขาทุกคนต่างกุมลำคอตัวเองไว้ดูเหมือนจะมีอะไรบางอย่างติดคอจนใบหน้าแดงก่ำกลายเป็นสีตับหมูท่านหมอที่มีอยู่เพียงไม่กี่คนยุ่งจนหัวหมุนบรรดาญาติมิตรต่างคุกเข่าร้องให้กันระงมเย่เยาวอยากจะช่วยแต่ก็ไม่รู้จะเริ่มจัดตรงไหนท่านหมอหลีนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เจ้ากะหมอหลี่ตอบกลับมาในขณะที่มือไม้ยังวุ่นวาย แม่นางผู้ประสบภัยเหล่านี้ไม่รู้ว่าไปกินอะไรจากที่ไหนมาถึงได้ติดคอกันไปหมดเช่นนี้ติดคอหรือเยี่ยวตลึงงานพวกนางแจกจ่ายโจกโจกจะไปติดคอได้อย่างไรเมื่อรู้ปัญหาแล้วก็จัดการได้ง่ายขึ้นทหารหารต่างรู้วิธีช่วยคนที่มีอาหารติดคอเยี่ยหัวออกคำสั่งเพียงคำเดียวไม่นานนะักก็มีคนสาลักเอาอาหารที่ติดอยู่ในลำคอออกมาได้ สิ่งนั้นมีสีขาวเหนียวหนึบเป็นก้อนเย่ยาวมองอยู่นานก่อนจะอุทานออกมาอย่างไม่อยากเชื่อขนมก้อนข้าวเหนียวขนมราคาแพงเช่นนี้ผู้ประสบภัยไปหามากินได้อย่างไรมาจากที่ใดกันผู้ประสบภัยที่ถูกช่วยชีวิตไว้ได้พ่นลมหายใจออกมาเฮือกใหญ่เกือบไปแล้วนึกว่าจะไม่รอดเสียแล้วเย่ยาวรีบถามเขาพวกเจ้าไปกินขนมก้อนข้าวเหนียวมาจากที่ใดผู้ประสบภัยหอบหายใจก็ก็แถวข้างหน้านี้เอง วันนี้มีเพิงเพิ่มมาอีกแห่งหนึ่งอ้างว่ามาบรรเทาทุกเหมือนกันแจกแจกขนมให้พวกเราเย่ยาอุทานเสียงหลงขนมหรือใช้ขนมมาบรนเทาทุกเนี่ยนะนี่มันวิธีการประหลาดอันใดกันคนอื่นๆและเด็กๆทยอยไอเอาอาหารที่ติดคอกมาได้จนหมดโดยไม่มีข้อยกเว้นทุกอย่างล้วนเป็นขนมก้อนข้าวเหนียวทั้งสิน้นโชคดีที่ไม่มีใครถึงแก่ชีวิตเย่ยาลอบถอนหายใจยาวด้วยความโล่งอกเหล่าท่านหมอเองก็ปาดเหงื่อไปตามตามกัน ยังไม่ทันได้พักหายใจผู้ประสบภัยที่ติดคอยกลุ่มหนึ่งก็พุ่งตรงมาที่นี่ในเพลิงจึงกลับมาวุ่นวายอีกครั้งเย่เยาลุกขึ้นยืนด้วยความโกรธจัดหากไม่แก้ที่ต้นเหตุจะต้องมีผู้ประสบภัยเคราะห์ร้ายเพิ่มขึ้นอีกแน่นางเพิ่งจะ ก, ก้าเท้าออกไปก็ถูกเย่ยหัวคว้าแขนไว้น้องหญิงจะไปที่ใดเจ้าไปคนเดียวมันอันตรายนะักพี่ไม่วางใจเย่เยาตอบต้องไปดูให้รู้ความว่ามันเกิดอะไรขึ้นไม่อย่างนั้นจะมีคนติดคอเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่ช้าก็เร็วต้องมีคนตายแน่ ขนมก้อนข้าวเหนียวทั้งเหนียวทั้งหนึบแถมยังทำก้อนใหญ่ขนาดนี้ผู้ประสบภัยต่างก็หิวโหยจนถึงขีดสุดย่อมต้องกินอย่างตะกละตะกลามจะไม่เกิดเรื่องได้อย่างไรเย่ยาวโกรธจนหัวระออกมาใครกันที่ช่างเป็นอัจฉริยะปานนี้ถึงขั้นคิดใช้ขนมก้อนข้าวเหนียวมาบรรเทาทุกข์ข้าอยากจะเห็นนักว่าบ้านไหนกันที่ร่ารวยปานนี้วันหน้าข้าควรจะไปขอร่วมมือกับเขาเสียเลยโทน้องหญิงอย่าใจร้อนประจบเหมาะกับทหารองค์ครักที่ส่งไปสืบข่าวกลับมาพอดี เรียนนายน้อยสืบความชัดเจนแล้วขอรับเป็นแม่นางเซี่ยชิงจือแห่งจวนสิ้นอ๋องที่ตั้งจุดบรรเทาทุกอยู่ถนนถัดไปขอรับพอได้ยินชื่อเซี่ยชิงจือโทสะของเย่เยา่าก็พุ่งปรี๊ดขึ้นมาทันทีมีหน้าเล่าที่แท้ก็เป็นนีดอกไม้ประหลาดคนนี้นี่เองเย่เย่ า, เยาถามต่อนางใช้อะไรบรรเทาทุกเออทหารองค์รักลังเลเล็กน้อยก่อนจะบอกความจรงิงขนมราคาแพงบางอย่างขอรับอย่างเช่นขนมก้อนข้าวเหนียว ผู้ประสบภัยไม่เคยได้กินของราคาแพงเช่นนี้จึงรีบกินจนเกินไปทําให้หลายคนติดคอขอรับโรงหมอบแถวนี้มีไม่มากนักพวกเขาจึงพากันส่งมาทางฝั่งเราหมดเลยขอรับพูดไม่ทันขาดคําผู้ประสบภัยที่ติดค่อยกลุ่มหนึ่งก็หลั่งไหลเข้ามาเสียชิงจือเองก็มาถึงแล้วนางฮิ้วชัยกระโรงพางร้องให้น้ําตาหนองหน้าและที่น่าตกใจคือหลินเซินก็อยู่ข้างกายนางด้วยนี่เขาถึงกับยอมร่วมหัวจมท้ายทําเรื่องเหลวไหลไปกับนางด้วยหรือ เย่ยาวโกรธจัดแหวกฝูงชนตรงดิ่งเข้าไปหาเย่ยหัวรีตามไปติดติดเมื่อเผชิญหน้ากันเสี้ยชิงจือก็คว้ามือเย่ยาวไว้แล้วชิงร้องให้เสออกสะอื้นออกมาก่อนที่หญิงเย่ยเจอท่านก็ดีเหลือเกินท่านรีบช่วยคนเหล่านี้ทีพวกเขาติดคอกันหมดแล้วจะทำอย่างไรดีแถวนี้ไม่มีโรงหมอเลยมีแต่ที่นี่ของท่านที่มีท่านหมอพี่หญิงเย่ท่านรีบช่วยพวกเขาเถิดข้าหยุบยาข้าจะเป็นคนออกเองข้าขอร้องท่านละ เสียชิงจือพู้ไปร้องให้ไปพลางเง็ถุงเงินของตนใส่มือเย่ยาจากนั้นก็นั่งคุกเข่าลงดังตุ๊บช่างเป็นภาพที่สะเทือนฟ้าดินและดูมีเมตตาประดุดพระโพธิสัตว์เสียจริงทว่าเย่ยาวกลับอยากจะตกหน้านางสักฉาตรเห็นว่านางยังสวมผ้าคลุมหน้าอยู่ใบหน้ายังไม่หายดีจึงยอมอดทนไว้ชั่วคราวยังไม่ทันได้อ้าปากหลิงเซินก็ชิงพูดขึ้นก่อนพวกเราเองก็คิดไม่ถึงว่าเรื่องราวจะกลายเป็นเช่นนี้เยาเยาที่นี่ของเจ้ามีท่านหมอรีช่วยคนก่อนเถิด เขายังคงเข้าข้างเสียชิงจืออีกแล้วเปลืไฟแห่งโทสะของเย่เยาพุ่งสูงขึ้นอีกครั้งนางสะบัดมือออกอย่างแรงเสียชิงจือไม่ทันตั้งตัวจึงล้มคำมั่นลงกับพื้นนางร้องออกมาเบาๆอย่างบอบบางน่าสงสารพางมองเย่เยาด้วยสายตาหยัดเยิ้มไปด้วยน้ำตาเย่เยาครั้นจะสนใจนางนางสะบัดนางทิ้งแล้วจ้องหน้าหลินเซินเขม็งพวกท่านคิดไม่ถึงหรือนางคิดไม่ได้แล้วท่านก็คิดไม่ได้ด้วยหรือ นางชี้ไปที่ถุงเงินในมือจ้องมองลินเซิร์นพางหัวเราะออกมาด้วยความโกรธจัดจวนสิ้นอองช่างใจปั้มเสียจริงใช้ขนมราคาแพงมาบรรเทาทุกเนี่ยนะเงินทองมากมายขนาดนี้เหตุใดไม่แบ่งมาให้จวนกัวกงของพวกเราใช้ซื้อสเสบียงอาหารบ้างเล่ามันไม่ดีกว่าขนมสวยแต่รูปจูบไม่หอมของพวกท่านหรือลินเซิร์นถูกนางต่อกลับจนพูดไม่ออกเย่ ย, ยก้าเข้าไปหนึ่งก้าเขาก็ถอยหลังไปหนึ่งกไม่อาจโต้แย้งได้แม้แต่คําเดียว เซียชิงจือจะทำตัวเหลวไหลก็ช่างเถอดแต่ข้าคิดไม่ถึงเลยจริงๆว่าแม้แต่ท่านหลินเซินท่านก็จะเหลวไหลไปกับนางด้วยข้าไม่สนว่าพวกท่านอยากจะช่วยจริงๆหรือแค่ต้องการสร้างชื่อเสียงจอมปลอมสรุปคือรีบเก็บขนมราคาแพงของพวกท่านไปเสียมิเช่นนั้นหากเกิดคนตายขึ้นมาจริงๆจะจบไม่สวยแน่ผู้ประสบภัยรอบข้างที่ได้รับความลำบากต่างพากันคว่างก้อนหินเล็กๆเข้าใส่พลางด่าทอตัวสวยชัดเมตตาจอมปลอม รีบใสหัวไปเสียก้อนหินเล็กๆจํานวนมากถูกคว้างเข้ามาไม่หยุดเสียชิงจือหวัดกลัวจนหดตัวอยู่บนพื้นและร้องให้หนักกว่าเดิมลินเซอรยืนตัวตรงไม่หลบไม่เลี่ยงเขาหลับตาลงยอมรับแรงกระแทกเหล่านั้นแต่โดยดีดวงตาของเย่โยแดงก่ําด้วยความโกรธนางคว้างถุงเงินในมือลงบนพื้นอย่างแรงเศษเงินกระจายเกลื่อนพื้นเกือบจะโดนใบหน้าของเสียชิงจือแต่นางทําได้เพียงกัดฟันอดทนไว้ท่านทําให้ข้าผิดหวังเหลือเกิน ความรู้สึกดีๆที่มีให้เขาเพียงน้อยนิดในชาตินี้มาลายหายไปสิน้นหลินเซินมองดูหางตาที่แดงระเรื่อของนางซึ่งเต็มไปด้วยความผิดหวังอย่างรุนแรงหัวใจของเขาดิ่งวูบลงทันทีครั้งนี้นางผิดหวังจริงๆแล้วนางหันหลังเดินจัดไปโดยไม่ลังเลแม้แต่น้อยหัวใจของหลินเซินบีบคั้นเขาเอื้อมมือออกไปคว้าข้อมือของนางไว้โดยสัญชาตญาณเหยาเยา ย, ายาฟังข้าอธิบายก่อน